เราทํำอัจนนึงจบก็สวดถึงความไม่ประมาททาที่ทำให้เกิดความไม่ประมาทคือการเจริญสตินั่นการที่เรามีสติเจริญพอเวลาถึงตายสุดอาศัยกรรม กตินิมิตกติก ร, รมมันต้องแสดงเหมือนเวลาเราจะนอนเวลาเรานอนความคิดจะเกิดขึ้นมาถ้ารู้เท่ารู้ทันก็ไม่มีพลังงานที่จะมีอำนาจมีประสิทธิภาพทำให้เราได้มมนก็ว่าไม่ได้ทำหน้าที่ ไม่มีใครตายโดยที่ไม่ป่วยก่อนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมีอยู่ตลอดเวลาในชีวิตอย่า ง, งกลับมาไปดูป่วยเห็นว่าคนป่วยนี่ต้องการเพื่อนต้องการกำลังใจลูกอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งหมด มันก็ไม่เหมือนกับคนที่อยู่ใกล้ๆนะเพื่อนตุ๊กตารูปสัจ้าราสิงหรือว่าญาติพี่น้องที่อยู่ใกล้ๆหมอพยาบาลแล้วบางคนก็มีสิ่งอื่นๆวัตถุอื่นๆเป็นเพื่อนบางทีเด็กก็มีตุ๊กตาเป็นเพื่อนเพื่อนบางทีก็มี ลูกเนเพื่อนามีเป็นเพื่อนภรรยาเป็นเพื่อนแต่ตาเลิกลาไปแล้วหรือว่าลมหายใจสูญไปมันก็ต้องหาที่พึ่งนะที่เป็นที่พึ่งภายในให้ได้ในในตระกูลนี่เคยไปลักษณะเนี้ยหลายครั้งหลายคนเป็นเพื่อนพูดคุยให้เกิดกำลังใจ กำลังที่เราบุญนะั่นแะนะเกิดความดีเกิดอะวผ่านนะความเจ็บความปวดความไม่สบายเนะก่นว่าช่วยได้ตามสมควรนะอย่างน้นอยๆถึงไม่พูดอะไรก็เห็นหน้าเห็นตายเห็นผ้าเหลืองก็ยิ้มแล้วนะนะยิ่งเป็นญาติสนิทนะก็ยิ่งเกิดกำลังใจขึ้นมา ยาก็เคยได้ช่วยอย่างนี้นยาท้ายสุดก็เคยได้เห็นว่าอ๋อไปทำบุญต้อกระถินทุกปีเลยที่ดอยอินทนนท์หรือว่าที่ดอยสุเทพจะไปอภิษฎธาตจอมทองวัดดอยสุเทพอภิาธาดอยสุเทพทุกปีจะต้องชวนและหลานขึ้นไปตอนมีลูกก็เอาลูกขึ้นไป ไปเป็นเจ้าภาพทอดกระทิ้นเห็นเวลาใกล้ตายช่วงที่อายุเก้าสิบสามปีก็เห็นว่าคนผู้คนแก่คนเฒ่าผู้สูงอายุนอนอยู่ในห้องแพระห้องนี้มีแพระเยอะไปทอดกระทิ้นดีก็ให้พระมาตั้งอยู่เต็มห้องนอน วันหนึ่งไปเยี่ยมถามว่าเป็นยังไงบ้างย่าจำได้ไหมนยใครจำไม่ได้เลยใครอใครอะแล้วย่าเป็นไงบ้างโอ้เบื่อแล้วเกินเบื่อไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอยากตายอยากตายอา้าวย่าทาไมพูดอย่างนั้น่ะ อยู่กับพรทธลูปเนอยู่กับเจ้าเคยฝึกพุดโตมากระพึงพุทโธไปรือว่าตอนนี้ขยับไม้ขยับมือหน่อยพลิกความพลิกหงายกรรมแบกรรมแบกนะรู้สึกตัวรู้สึกตัวอยาเขาทําตามทํ า, าสักครู่นังก็หลับก็บอกว่านะให้ทําไปเรื่อยๆนะ อย่าอยู่กับความคิดประคิดมันก็เบื่อหรือไม่ก็อยู่กับพุทเธอก็ได้คิดเป็นพุทโตหายใจก็ออกพุทธหายใจออกโทมันก็จะไม่เบื่อหรอกจิตจะมีที่พึ่งมีพุทโตเป็นเพื่อนมีความรู้สึกตัวเป็นเพื่อนอย่าไปอยู่กับความคิดเคยบอกอีก2วันต่อมาก็เสียชีวิต ท่านป่วยเป็นเบาหวานแล้วก็ท้ายสุดอายุ 9.3 ปีเป็นโรคชราแล้วก็เป็นโรคเบื่อโรคเศร้าซึมไม่ได้ตายด้วยโรคเหล่านั้นนะแต่ตายด้วยการรับประทานส้มชาญส้มติดคอแล้วหายใจไม่ออกตายหมดกําลังเกินลูกหลานก็นไม่ได้คั้นเป็นน้ําให้ดื่ม ให้ทันทั้งกรีบเลยส้มพืนกินไปมันหมนแรงติดหลอดลมตายแต่ว่าลูกหลานก็เห็นว่าก่อนจะตายสองวันเนี่ยย่าก็รู้จักตัวรู้จักตัวแล้วก็สามารถที่จะเรียกว่ามีความสงบพอสมควรใ น, น ท, ท้ายสุดตอนที่สำลักแล้วก็เงียบไปเลยนะสงบไม่กระวนกระวายไม่ทุรนทุราย ก็เราให้าก็ฟังวิยาก็ได้ใช้ความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวไม่เหงาไม่เบื่อพอฝึกสักนาทีสองนาทีหนาทีมันก็มีฤทธิ์แล้วอน้อยก็จิตสงบบางทีก็ง่วงหลับธรรมใช้ก็ประโยชน์ดีกว่าอยู่ความเบื่อความคิดเนี่ยให้อยู่ตรงนี้อยู่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัว มันก็บอกกันอย่างนั้นนะเราก็พาทําให้คนที่อยู่ ใ, ใกล้ๆนวดเท้านวดไม้นวดมือมันก็เป็นความรู้สึกตัวรู้เนื้อรู้ตัวแต่ว่าคนอื่นผลิตให้ของเรานี่มาฝึกกันวันนี้เป็นวันสุดท้ายเต็มๆวันก็ฝึกเกินไม้เกินมือรู้สึกตัวในรูปแบบเดินโยงกลมนั่งสร้างยังไหวไปไหนมาไหนแล้วก็ยังจากความรู้สึกตัวอยู่ ความรู้สึกตัวมีจากหยาบไปหาละเอียดจากหยาว่าในรูปแบบการเคลื่อนการไหวของดุ่นก้อนวัตถุรูปธรรมหนูกระโจดเท้าเราเห็นนามธรรมต่างๆอาการต่างๆริมปรากดแสดงออกสุขทุกข์ต่างๆของกายของจิตความคิดรูปอารมณ์ธรรมอารมณ์ต่างๆก็แสดงออกมาให้เราได้เรียนรู้ ได้เห็นได้จดได้จำล้วก็ทำเป็นอารมณ์ต่างๆผ่านได้ความรู้สึกตัวมันก็พาผ่านฝึกสติสติก็าพาผ่านตัวรู้ก็พาผ่านตัวหลงก็พาให้ฉลาดยิ่งทำยิ่งคิดยิ่งคิดก็ยิ่งรู้มันก็เห็นนะ คุณภาพของสติปัฏฐานที่ฝึกไปฝึกไปมันก็ดีวันดีคืนมีความจำนานมันมีความคล่องตัวประสบการณ์ที่เห็นซ้ำๆทาซ้าๆรู้ไวขึ้นไปขึ้นผ่านได้ไวขึ้นไวขึ้นมันก็เป็นจดหมายไปทางแต่ละปัจจุบันกณนะแต่ละขณนะรู้ไปเรื่อยๆรู้แล้วรู้ละเอีย เดินทางมันก็จึงเหมือนกันทุกคนปฏิบัติธรรมอาการต่างๆทำรมต่างๆเหมือนกันฝนตกก็เปียกแดดออดก็ร้อนดื่มน้ำก็ปวดปัสสาวะรับรทานอาหารก็ปวดอจุจจาระนั่งนานๆก็เมื่อยต้องกินต้องขับถ่ายมากมาย เราก็เปลี่ยนในความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็เป็นสิ่งที่ต้องมีการกระทำลงไปกรรมาฐานต้องมีการแสดงออกลมหายใจก็ดีแต่ว่ามันอ่อนตัวมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยไปช่วยยายที่สัเดหีบอายุ93ปีเหมือนกันช่วงนั้น ยายแม่ก็ร้องไห้เขาบอกว่ายายจะเสียชีวิตบันพรุ่งนี้หมอยายกลับบ้านก็เตรียมซื้อโรงไว้บาก็ให้ยายนะมารู้สึกตัวถึงจะอายุมากขนาดไหนก็ตามก็ต้องให้รู้สึกตัวจะป่วยหนักขนาดไหนก็ให้รู้สึกตัว ใหญ่ก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวสักพักหนึ่งก็ชวนพูดจนคุยให้ยาเห็นถึงร่องรอยบุญร่องรอยความดีร่องรอยที่เคยอยู่ด้วยกันแล้วก็สอนกันมาตั้งแต่เล็กๆเคยสอนเคยดูเคยด่าเคยบนค่นกันไปก็ว่าจากวันนั้นมันเป็นวันนี้ เคยสอนให้ก้มหน้าเวลารับประทานอาหารยายอายุมากหลานอา ย, อยุน้อยต้าหลานเงยหน้าขึ้นมายายก็บอกว่าเดี๋ยวจะถูกตีในช่วงนั้นบรรยายเป็ น, นที่พักของทหารอเมริกันอุทภาว์านะซาีบก็จะมีผู้หญิง เมียเจ้าเข้าเข้าออกออกเป็นประจำจะเป็นแลมเดือนแลมปีเวลาไปอยู่ยายจะให้นางก้มหน้าแม่มองก็เลยนึกว่าเออเดี๋ยวนี้มันก็เหมือนกับพระนะพระเวลานางฉันบินาบาตก็ต้องมองแต่ในบาทรับบาทก็ตองมองแต่ในบาทสํารวมสารวมตาสํารวมหู ใน ส, สุดใหญก็นอนหลับหลังจากที่ชวนพูดชวนคุยได้ครึ่งวันยอดอาหารเหลวเข้าไปแล้วก็นอนหลับขณะที่นอนหลับเนี่ยก็มือไปอังดูที่จะหมวกยายหมดชีวิตแล้วหรือยังเสียชีวิตแล้วหรือยังพอดูท้องมันก็ไม่เห็นลมหายใจที่หายใจอยู่มันก็ไม่เห็นต้องมือไปแตะดูจะได้รู้สึก ไปแตะทางรั้วยังไม่ตายท่านก็ขยาบปากว่ายังไม่ตายหรอกเดี๋ยวไว้ตายปีหน้าเป็นวันเกิดเนี่ยจะขอาตายปีหน้าท่านก็โตตอบมาได้นะเพราะฉะนั้นการกระทบสัมผัสเนี่ยมันเป็นความรู้สึกท่านหนึ่งๆกันอยู่ก็ไม่รู้ว่ารู้สึกยังไงข้างในรู้สึกแล้วก็พูดรู้สึกแล้วก็ทำมาแสดงออกเป็นอภิก ร, ริยา ria, เป็นพฤติกรรมีจริงแล้วความรู้สึกตัวมันก็ทําให้เกิดธรรมะกับวินัยนะัละ วินัยคือมันจัดระเบียบระเบียบภายในจิตใจระเบียบความคิดระเบียบคําพูดระเบียบการกระทําต่างๆจนเป็นระเบียบของชุมชนจนเป็นตัวบทกฎหมายเป็นวินยัยตัวศีลกํากับไว้ให้เกิดความเรียบร้อยสํารวมส่วนตัวธรรมะตัวธรรมชาติก็คือการมองด้วยทวารต่างๆแล้วก็แทงทะลุได้ด้วยตัวสติตัวปัญญา ว่าสิ่งเหล่านั้ น, นคืออะไรมันเกิดมันตั้งอยู่มันดับไปยังไงมันจะเห็นในตักวาของจิตที่มันแสดงออกมาทุกครั้งที่มันกระทบสัมผัสแล้ ว, วา้าเภอหลงก็้าไปปรุ่มัมนจะเป็นภพโภมตันติที่เรียกว่าอบายโภมสุขติโภมหรือว่าพุทธโภ ม, มิต่างๆภูมิ หลังจากที่มันเป็นภพมันก็เจอข้างในการคิดการปรงุงคิดดีพูดดีทดําดีมันเกิดในจิตคิดนมันเป็นภพเสร็จแล้วก็แบ่งไปคิดดีคิดชั่วเราคิดเหนือดีเหนือชั่วเราก็ได้เห็นเวลาปฏิบัติธรรมรู้สึกตัวรู้สึกตัวเวลาสมมติฐานการคิดมันกําเนิดขึ้นมามันเกิดขึ้นมา เป็นแล้วนะของโอปปาติกะไม่มีตัวตนก็ ด, ดับตายไปก็ไม่มีสร้างมหาปุตตะลูกคือร่างกายของเรานี่มีสร้างต้องใช้ไฟเผาต้องที่ต้องฝังบางทีก็ทิ้งแม่น้ำบางทีบางประเทศก็ให้อีแรงกินฉี ก, กินไปเลยทางดิเบตของเราว่าจัปนกิตใช้ไฟเผา มหาพุทธรูปรว่ารูปธรรมรูปขันธ์แต่จิตใจของเรามันเกิดนับมันมันไม่มีรูปมันเป็นนามรูปเป็นแสงปฏิยาทางแสงที่แสดงออกอยู่ภายในจิตใจของเราเวลาเรารู้สึกตัวรู้สึกตัวนม่มาเห็นปรากฏการณ์เหล่านี้ที่ยิบสรรกลที่แยกกายนะ ที่อยู่กับตัวเองแล้วมีความป l a n n i ต่อตัวเองเวลายกไมก้ยกมือก็มีสมดุลมีความพอดีมีความเป็นกลาง ม, มีความเป็นปกติรู้เฉยเรู้ซื่อซื่ตัวเนี้ยหรือหลวงปู่เทียนจะเรียกว่ารู้จืดจืดรู้จืดจืดหลวงปู่เทียนบอกเวลารู้สึกตัวเนี่ยเคยเคยบอกกับหลวงพ่อมเกล้าหลวงพ่อมเกล้านบอกต่อว่าเนี่ย ลองเอา น, นิ้วกดลงไปในก้นเด็กเด็กที่นอนกว้าง ม, มานะแล้วก้นมันเป็นสีแดงๆลองกดลงไปแต่แล้วยกมือขึ้นมันจะจืดก้นมันจะจืดมันจะซีดมันจะเป็นอย่างนี้แหละทำไหมมันจะจืดมันไ ม, ม่มีรสชาติของสุขของทุกนะเวลาเรา รู้สึกตัวนะมันเห็นเห็นเฉยๆจิตจืดมันมีการปรุงเป็นรสชาติปัจจารามราเลว่าอัฏฐะกะอาทตินะวะอัสาฐะเป็นรสชาติตัวนี้ทำทำให้เกิดการยึดโลกเกิดความพอใจไม่พอใจถอนได้คือรู้สึกปกติอย่าถอนเวลาเราเป็นปกติมันก็จะรู้สึกว่าเคลื่อน แต่ละจังหวะแต่ละจังหวะตรลงความ็เสร็จเป็นขณะเป็นขณะอันนี้คือการปฏิบัติธรรมที่เป็นอยู่ในช่วงของการฝึกหัดปฏิบัติเพื่อเห็นแล้วเห็นอีกทําซ้ําเห็นซ้าๆความวุ่นกซ้ําๆความเจ็บความปวดก็ซ้ซําๆตากระทบรูปูได้ยินเสียงก็ซ้ซําๆความวุ่น เราเอานอนความเบื่อมาซ้ำาๆมาแล้วไหมอีกฮะ ร, รู้แล้วรู้อีกจนเหมือนกัว่ามันก็ได้คำตอบเล็กๆคำตอบเล็กๆก็คือมาเริ่มที่จะสัมผัสรู้อาการของรูปธรรมนามทธรรมนะอันนี้ภาษาศาสนาหลวงพ่อครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าเข้ากระแสเบื้องต้นก่อนกระแส แต่ว่ายังไม่ได้หลักของวิปัสสนาแ่ว่าเริ่มเข้ากระแสเรียกว่าเป็นดารุณีของวิปัสสนาญาณลงอรุณของวิปัสสนาเริ่มเห็นแสงเงินแสงทองแต่ยังไม่ชัดเจนนักรูรู ร, ร, รูนามแต่ว่าได้หลักก็คือการเห็นความคิดมันได้หลักของการป็บัติวิปัสสนาคือเห็นความคิด มันจะเป็นการสัมผัสนะการรูปรอยการลองรอยสมมติฐานการคิดเวลาจิตปกติรู้ตัวใจมันเผอหลงเห็นตัวรู้กับตัวหลงตัวนีแล้วหลงก็ไปบึ้บเสร็จแล้วก็สมมติฐานการคิดนีมันเกิดอยู่ตรงไห น, นคิดแล้วก็โกรธคิดแล้วก็โลภนะคิดแล้วก็หลง เอาความโลยเป็ความหลงเอาความทุกข์มาเป็นความทุกข์เอาปัญหาว่าเป็นปัญหาแต่าพามารู้เท่ารู้ทันมันก็เปลี่ยนเป็นตรงนั้นข้ามทั้งหมดเอาตัวหลงมาเป็นตัวรู้รู้สึกตัวมันทุกข์อยู่เป็นความทุกข์ทำมันหลงก็เป็นความทุกข์ไม่หลงเป็นความไม่ทุกข์มอเกิดจากการที่เรารู้สึกเป็นจักหยาบไปอายละเอียด รูกายรู้ใจรู้โรครู้น้รู้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจบาอาการนี่หลวงพ่อท่านเคยเทศบาลว่าความเขียนนะอย่าไปให้คุณค่ามันถ้าเราไปให้คุณค่ามันมันจะใหญ่มากหลวงพ่อเคยแบบเทียบเงี้นะว่าเหมือนกับเห็นงูถ้าเป็นงูจงอางให้เราอะไรให้ค่ามายว่าจงอางจงอาง มันจะโชว์คอทันทีแล้วปุ๊บขึ้นมาแา่ถ้าเรียกว่างูสิงงูสิงพระบอกไงมันจะเหี่ยวมันจะเลื้อยไปแบบเชื่องเชื่องพูดถึงกิเลส ท, ทุกตัวตะแบงข้ามันจะมีกำลังขึ้นมาทันทีเช่นเห็นความง่วงนะเราไปทักมันความง่วง แล้วก็หลงเข้าไปโอ้ง่วงไม่ดีง่วงดีแต่ถ้าเราเห็นเป็นอาการอย่างนั้นเห็นเป็นอาการเป็นแค่อาการของจิตภาษาศาสนาบอกเป็นนิวรธรรมภูเขาลึกลูกแรกเป็นด่านกั้นจิตแม่มรรลุถึงงดงามความดีเป็นด่านกั้นจิตเหมือนก็นั่งรถเย่าง น, นัแล้วก็เจอด่านกาันปึ๊บ กันเอไ้แมไปต่อไรถยนก็ต้องจอดก็ต้องจ่ายสตางให้เขาด่านก็เปิดให้เราไปนี่เวลาทํามันก็เหมือนกันความกังวลมันด่านกันจิตเราก็เติมสติให้เรู้สึกตัวเน้นๆลงไปกระทบสัมผัสเดินแรงๆเดินเร็วๆอันนี้วิธีแก้ อันดับแรกเลยนะอันดับแรกเลยต่อมาก็คือรับรู้สภาวะซ้ำๆง่วงไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปมาทางไหนเด้ไปทางนั้นแหละวันเวลาผ่านไปมันก็เปลี่ยนไปเราเห็นเออเวลาเนี่ยมันก็พอเปลี่ยนไปมันก็เปลี่ยนเหมือนกันเช้าสายบ่ายค่ หว่าเวลารับประทานอาหา ร, หรเวลาทําวัดจุดมนิสกิจกรรมแตกต่างกันไปความรู้สึกมันก็มีตัวหนึ่งไม่มีตัวหนึ่งอารมณ์ก็มีตัวหนึ่งไม่มีตัวหนึ่งก็มาให้เราได้ศึกษาหรือยัว่าเกิดการเปรียบเทียบไปได้แต่ว่าเรายังไม่สรุปอาการใดๆเกิดขึ้นมาเราก็ไม่สรุปเห็นเป็นอาการเลยว่าไม่ให้ค่า เป็นดีเป็นไม่ดีเป็นชอบเป็นไม่ชอบเป็นพอใจเป็นไม่พอใจยินดียินไ้่แล้วก็มีรสบการณ์ทาแล้วทาอีกซ้ำๆกันมันก็เกิดพัฒนาการขึ้นมามาเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมามาเกิดการกระทา ที่มันต่อยอดยิ่งย่งขึ้นไปตระที่สัมผัสสัมพันธ์แล้วก็เชื่อมโยงต่อเนื่องวินาที1นึงรูข้างหนึ่งวินาทีหนึ่งรูข้างหนึ่งเชื่อมโยงต่อเนื่องไปเท่าที่สังเกตดูวันนี้นะตอนที่นั่งรถเข้ามาก็เห็นหลายคนก็ตั้งใจดีนะเดินด้วยควาสำรมระวัง หลายคนตั้งใจอยู่เงียบๆรู้สึกนิ่งๆเยน็นๆมีธรรมชาติมีความเป็นธรรมดาธรรมดาแล้วก็อยู่แยกๆไม่ได้เดินตีคู่หรือว่าเดินเป็นกลุ่มๆหลายคนก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปไม่ได้รอๆเป็นกลุ่มๆเหมือนกับวันแรกๆตรงเนี้ย มันก็จะเห็นรายละเอียดของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องหลวงประเตียนบอก ว, ว่าวิธีปฏิบัติแบบแนวหลวงพ่อเตียนเนี่ยต้องทําให้เป็นลูกโซ่รู้เป็นเปราะรู้เป็นเปราะรู้เป็นเปาะรู้เป็นเปาะให้รู้เป็นปัจจุบันที่นี่เดี๋ยวนี้นเวลาเราฝึกเราก็รู้การการะทบสัมผัสที่นี่เดี๋ยวนี้ รู้โดยที่ไม่อยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีรู้ซื่อๆรู้เฉยๆให้ขยันเคลื่อนไหวจะไม่นั่งนิ่งๆขยันเคลื่อนหรือว่าทีมันก็มีเวลาเรานิ่งๆมันก็จะมีตัวเคลื่อนที่เป็นเองตามธรรมชาติเราสังเกตดูเราหายใจหรือว่ากระพริบตาหรือว่าเวลาขยับเล็กๆน้อยๆมัก็รู้สึกได้ มันเป็นความเป็นเองแต่ว่าใหม่ๆใช้รูปแบบไว้ก่อนที่เรียกว่าเป้ามันโตๆนะเวลาฝึกหัด น, นักมวยแต่กระสอบทรายหรือว่านักยิงธนูยิงเป้าโตโตนะักแม่นปืนยิงเป้านิ่งนมันจะเกิดประโยชน์ทีเดียวใหม่ๆยังไงก็ถูกแต่ถ้าไปดูไอ้ตัวละเอียดๆเนะี บางทีมันก็เผลอหลงไปติดก่อนสงบเวลาตั้งใจมากๆบางทีมันมีอาการเพ่งๆแล้วก็มันเผลอหลงเข้าไปมันก็ไม่ใช่ไม่ดีนะมันก็ดีเป็นประสบการณ์ที่พอเรารู้แล้วรู้อีกซ้าๆเราเห็นว่าเออมันก็ดีแต่ว่าเวลาความคิดเกิดขึ้นมามันมันมันจะรังเกียจแล้วก็มันรู้ไม่ทันมันจะรู้สึกกลัว กลัวความคิดเวลาเราติดความสงบนะกลัวแล้วกลัวความวุ่นวายเวลาอยู่หลายๆคนมันวุ่นวายสับสนยุง่งเหยิงเราจะรู้สึกมันมันไม่ชอบอ่ะมันจะหลบห ล, ลีก ๆ, ๆไปแต่พอเราฝึกแบบเคลื่อนไหวแล้วก็อยู่กับคนมากๆมันกลายเป็นว่าไม่เป็นไรอยู่กับเสียงสัจสาราสิ่งอะไรก็ได้อยู่กับจังก่อสร้างก็ทํางานทําการ จะตีตะปูจะเลื่อยไม้จะตัดสังกะสีจะทำอะไรมันก็ไม่ได้กวนมันแยกแยกต่างคนต่างอยู่ถ้าเราสังเกตนะมันเหมือนก็มันมีสติมีที่อยู่อยู่การเคลื่อนการไหวหรือว่าอยู่การมีสติรู้เท่ารู้ทานอารมณ์ที่มากระทบทางทตาหูจมูกลิ้นกายใจมันมีที่ตั้งของกรรมาฐาน ฉันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับความหนักอกหนักใจมันน้อยลงไปมันลดลงไปมันเบาบางลงไป1ึงวันสองวันวันแรกๆ3วันในหนักแต่พอหลังๆจากนั้นมันผ่อนคลายลงคลายลงเพราะว่าการวางใจมันทำเป็นมากขึ้นวางจิตวางใจตำแหน่งของมัน พอดีพอดีแล้วสมดุเลเนี่ยนะเปรียบเหมือนกัอย่างนี้นะเปรียบเหมือนกัอย่างนี้ก็ได้ใครเคเห็นกล้องเซเว่บ้างกล้อง3ามขาเซเว่กล้องเซเว่จะมีระดับตาไก่เวลาก็จะส่องดวงใจให้ได้ความถูกต้องแม่นยําก็ต้องปรับระดับน้ําตาไก่มันจะมีอยู่ฐานของของกล้องเซเว์ปรับจนกระทั่งมันลูกน้ําตาไก่มันตรงกลางเป๊ะพอดี มันก็เหมือนเวลาเราฝึกความรู้สึกตัวเนี่ยใหม่ๆการเคลื่อนเราไปอยู่กับรูปธรรมตรงนี้เรียกว่าเพ่งจีจ้องจะเกิดการเหมือนกับเหนื่อยใจขึ้นมาเพราะว่าใจมันถูกบังคับอะนะมันอยู่ในกรอบมันดิ้นไปไหนไม่ได้เลยเราเพ่งจีจ้องที่กรอบมากเกินไปทีนี้เราก็เริ่มปรับ ไม่ใช่เพ่งแล้วไม่ใช่เผลอนะมันก็เออทาได้เรื่อยๆพอดีพดีเป็นขนาดเป็นจังหวะสร้างจังหวะเป็นขณะเป็นขณะเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเกลื่อนหยุดมันก็เสร็จไปเป็นคลังไปเลยกระนั้นที่รู้มันก็เสร็จเป็นคลั้งเป็นคลังไปเลยตอนนี้มันจะเริ่มเห็นปัจจุบันขนาที่อะไรก็ตามซ่อนซ่อนขึ้นมา ได้ว่าความคิดนะมันจะชัดมามันจะกระดิกขึ้นมามันจะเป็นโรงงานผลิตความทุกข์เลยความคิดเนะี่ยมันจะเห็นได้ชัดใหม่ๆมันจะคิดไปจนจะจบแล้วออกไปเห็นรวมถึงคิดไปจนจบแล้วจนจะมาใหม่อีกรอบแล้วถึงอา้าวเมื่อกี้คิดไปเหรอนี่จะมารู้ทันไวขึ้นไวขึ้นสั้นลงสั้นลงสั้นล ง, นลงจนไดงมันคิดปับป๊บรู้ปุ๊บคิดปับป๊บรู้ปุ๊บไง ตัวนี้มันต้องใจกลางๆสักหน่อยที่เราวางใจวางใจนั่นแต่ว่าใหม่ๆเราจะวางไม่เป็นเราต้องเคลื่อนไหวรู้สึกก่อนจนมันแบ่งว่าเออที่เคยเผลอคิดไปลืมเนื้อลืมตัวกับการที่มาปฏิบัติแล้วก็ใส่ใจตั้งใจเพลงจี้จ้องจะปรับจากอยู่จากอยู่นะเคยอยู่อาการเหล่านั้นกลายเป็นรู้เท่ารู้ทัน รู้แลมันก็รู้สึกว่ามันไปปล่อยไปวางได้ขณะที่รู้มันก็เพ่งเข้าไปสติรู้รู้นะแล้วมันก็จบทันทีเราก็เห็นอาการมันมันวางทันทีจนกระทั่งมันเป็นภาวะผู้ดูอันนี้ก็แสดงว่ามันเป็นตัวปัญญาเมื่อครั้งสุดท้ายนะชอบใจคําพูดของหลวงพ่อเขียนที่ท่านพูดถึงว่ากรรมฐานนี่เป็นเบื้องต้นเลย ได้ว่าการเคลื่อนไหวเดินจงกลมนะเป็นเบื้องต้นและแล้วก็ภาวนาเป็นท่ามกลางภาวนาคือกรยันรู้แล้วแสดงว่าสติมันเกิดขึ้นมาแล้วรู้รู้รู้รู้รู้นะเป็นท่ามกลางตรงนี้เราจะต้องฝึกกันเชื่อมโยงต่อเนื่องไปจะเห็นอาการจากยาไปหาละเอียดก็ะดัสติราลึรู้นะจนกระทั่งมันเป็นมิจฉานานเป็นที่สุด หลวงพ่อใคําว่าเป็นที่สุด พ, พระวิปัสสนาคือภาวะผู้ดูที่มันจะดูแล้วเห็นอาการของรูปธรรมนามธรรมแล้วก็ไม่เข้าไปเป็นในการเหล่านั้นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นจนั้งท่านเทศก็บอกว่าไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรกับอะไรไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรหรือว่าอาจารย์พระอาจบอกว่ามันเป็นเช่นนั้นเองพันนั้นแหละ เป็นเช่นนั้นเองสองคำยังจะเป็นอันเดียวกันก็คือภาวะผููดูดูอะไรเห็นเห็นแล้วมันก็ไปเป็นแล้วเป็นเช่นนั้นเองถ้าจะเป็นก็เป็นเช่นนั้นเองถ้าจะไม่เป็นก็ไม่เป็นกับอะไรกับอะไรกับอะไรกับอะไรไม่เป็นมันก็จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษาการฝึกสติหรือการเจริญสติปัฏฐานไในวันที่เรามาฝึกกันแนวเคลื่อนไหวสิบสี่วันมันมีผล ทำให้เกิดทําที่ทําให้เป็นความไม่ประมาททาอะไรก็เป็นธรรมชาติไม่ได้เป็นกรรมดีกรรมชั่วจะส่งผลมันเป็นความบริสุทธิ์ประพฤติปรมัจจันท ร, ร์มันก็เกิดความเป็นภรมจจันท ร, ร์ขึ้นมาความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงี้นเราก็จึงมาฝึกกันความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนะ วันนี้เห็นว่าสมกันกับเวลาก็ก ล, ลับพร้อมกัน